ช่วงนี้มีพวกเรามาถามเรื่อยๆว่าอยากบวชอย่างเงี้ยทำบวชนานไหมบวชไปเรื่อยๆนี่ยผู้ฉลาดนะไม่บอก่บวชตลอดชีวิตอาจจะไม่ตลอดนะบวชไปเรื่อยๆจะบวชมันไม่ยากนะแต่บวชแล้วอยู่มันยากการเป็นพระเป็นนักบวชไม่ใช่ง่ายๆต้องพร้อมจริงๆอย่างคนมาขอบวชนะหลวงพ่อไม่ให้บวชง่ายหรอก ถ้ามาถามก่อนนะยกเว้นแต่ว่าไม่ได้ถามไปบวชมาอะไรเงี้ยคือบวชแล้วต้องมีความสุขได้ในเพศของพระเพศของนักบวชอย่างบางคนยังอาลัยอาวรในโลกยังติดโลกอยู่มาบวชนะฝื้นใจแรงไม่มีความสุขแต่ถ้าเห็นโลกมีความทุกข์มากนะ สติปัญญาแก่กล้าโลกนี้ทุกเยอะหาสาระอะไรไม่ได้เลยนี่พอมาบวชเนี่ยจะมาอยู่อีกโลกหนึ่งโลกในวัดโลกในวัดเนี่ยไม่ใช่วิเศษวิสอะไรคนไม่รู้นะัเ น, นี้ยนึกว่าบวชเป็นโซลูชันของชีวิตถ้าเคยผ่านความจริงของโลกข้างนอกมาแล้วมาเจอโลกในวัดเนี่ยมันจะรู้สึกไม่แปลกอะไรก็ยังไม่สนใจคนอื่นนะภาะวานาของตัวเอง แต่ละวัดยุ่งทั้งนั้นแหละมีวัดหลวงพ่อยุ่งน้อยเพราะหลวงพ่อดุวัดยิ่งวัดใหญ่ๆนะมีหลายก๊กนะมีหลายก๊กวัดครูบาอาจาร ย, าาาายนะ์ยิ่งกว่าสามก๊กอีกบางองค์นะท่านอยู่วัดไม่ได้ท่านต้องไปอยู่ที่อื่นไม่อยากอยู่ไม่อยากเห็นข้างในปัญหาเยอะ บพระไปบินธบารดมาได้กับข้าวไม่ถูกใจนะเอาไปเตะเป็นลูกตะกร้ออะไรเงี้ยท่านบอกท่านทนไม่ได้ท่านทนดูต่อไปไม่ได้แล้วสอนไม่ฟังท่านนไม่ค่อยอยู่วัดอย่างนี้ก็มีนะแต่และแห่งแต่และแห่งปัญหาเยอะแยะเลยนะงั้นถ้าเราภาวนาสบายแล้วภาวนาได้ดีมีหลักมีแก่นสารสาระ ไม่ใช่คิดว่าบวชแล้วมาเรียนเอาที่ครูบาอาจารย์ไม่มีเวลาให้ฮะครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนเก่งๆสอนอะไรอย่างเงี้ยนะท่านไม่ค่อยอยู่วัดบางทีต้องช่วยตัวเองได้ค่อยบวชจุดที่หนึ่งจุดที่สองนะเห็นความจริงของโลกมาโชคชนพอควรแล้วน่าเบือ่อมาเจอปัญหาในวัดรูสึกเรื่องเล็ก อ, อยู่ได้มีความสุขเห็นมากัดกันก็ยังมีความสุข บวชไม่ยากหรอกท่องขันนากได้นะสี่สิบห้านาทีก็เสร็จแล้วบวชอยู่ยากจิเลสไม่ใช่เรื่องเล็กๆอต่อไปตรวจกันบ้านมาพร้อมกันแล้วคุณแต้มเชิญไม่ค่อยตั้งมั่นค่ะหลวงพ่อ <h> ไม่ค่อยตั้งมั่นค่ะจิตจะฟุ้งไปจับอารมณ์น้อนอารมณ์นี้ตลอดเวลา ต้องสนมนต์เยอะๆเพิ่มสมาธิสวดมนต์เจริญเมตตาก็ดีนะเจริญเมตตาพอเราเจริญเมตตาแต่ต้องเป็นเมตตาที่ไม่เจาะจงคนนะไม่ใช่มุ่งไปคนนั้นคนนี้เมตตาปัมัญญาแบบกว้างๆให้สัตว์โลกทั้งหลายมีความสุขอะไรเงี้ยสัตว์โลกที่มีความทุกข์ให้พ้นทุกข์ใจมีความอ่อนโยนขึ้นมา ใจที่มีความอ่อนโวนมีพลังได้สมาธิไงก็ได้นะเราดูเอาว่าอันไหนเหมาะกรรมฐานมีเยอะแยะไปทำอะไรไม่ได้สวนอิติปิโสไปเรื่อยก็ดีน ะ, จะเจริญเมตตาแล้วดีปลอดภัยพนะระพุทธเจ้าบอกน ะ, จะเจริญเมตตาแล้วปลอดภัยลองจเจริญดูภัยอันตรายอะไรมาก็สลายตัวแล้วคราบอ่ะ ของละคนนี้มัวมากค่ะดูอะไรไม่ค่อยชัดเลยค่ะรู้ว่าไม่ชัดถ้าเรารู้ว่าไม่ชัดได้นะรู้ได้ใจเป็นกลางนั่นแหละชัดนะงั้นมัวหรือไม่มัวไม่สำคัญเลยนะเท่าเทียมกัน เมื่อวานก็สวดมนต์เยอะขึ้น hmm? สวดมนต์เยอะขึ้นนะคะ่ะ mm hmm. ก็แต่ว่ามันก็ยังเห็นมันมันมวสลับเป็นช่วงชั่วนะดูไปอากาศตอนเนี้ยชวนมัวใช่ไหมสู้ยากนะอากาศอย่างนี้กินข้าวใหม่ใมอากาศเย็นเย็นป้าสลัวมันชวนให้มัวทั้งนั้นเลยสวดมนต์ไว้จิตถึงฐานไหมไม่ถึงค่ะเออแล้วทําไมไม่ถึงล่ะ <c oughs> มันยังฟุ้งซ่านมากค่ะหลวงแต่ว่า ม, มันมีงานรออยู่อะค่ะงานก็สวง า, งานตามมาถึงวัดเลยใช่ไหมมันใ จ, ใจมันมีโอกาสเคล้าเคลียกับธรรมะมากขึ้นค่ะ <c oughs> ได้สวดมนต์ได้เดินจงกรมมากขึ้น <c oughs> ก็บางช่วงที่ได้ทาก็รู้สึกดีเจ้าค่ะแต่ว่าพอ ว่างมันก็ใจมันไปพงถึงงานก็มีทั้งโทสะทั้งโมหะฟุ้งซ่านเยอะมากแล้วค่ะคือต้องระวังอันหนึ่งนะป้อมเพราะว่าบางทีใจมันจะหนีการภาวนามันหนีไปหางานทําแล้วก็จะบอกว่ามีงานเลยไม่ได้ภาวนาจริงๆมันหนีนะต้องระวังนะมันหนีบ้างไหมหนีมากเจ้าค่ะรเมื่อวานคุณนะบอกว่าใจมันดื้อเจ้าค่ะอคือจริงๆนึกถึงการภาวนานึกถึงอว่ามันน่ากลัวสังสารวัฏอะไรอย่างนี้ยค่ะแต่ว่า ใจมันไม่ยอมทำไม่ยอมรู้มันจะผลัดไปเรื่อยๆนะมันจะผลัดมันหนีไม่ยอมรู้มันทนดูไม่ได้นะทนรู้ความจริงไม่ได้ว่ากายนี้ไม่สวยไม่งามไม่สุกไม่สบายอะไรเงี้ยนะทนไม่ได้โลกนี้ไม่สวยงามอย่างที่ฝันนี่ใจยังฝันอยากเห็นโลกในอุดมคติโลกสวยงามเห็นคนรักกันเห็นอะไรอย่างนี้ใจใจมันเลยหนีความจริงไปสู้ความจริงก็ อาสาสก็โปร่งกว่าเมื่อวานแต่ว่าก็ยังมัวๆค่ะแล้วก็ไม่เดินปัญญาเออแต่ว่าตอนตอนเดินตรงกรมตอนช้าค่ะหลวงพ่อเราเห็นว่ามันจริงๆอะมันมีเปลือกหนาๆค่ะมันหนามากค่ะอืคิดว่าองค์อีกนาอย่าไปเกลียดมัน<ย>ะนะอย่าไปเกลียดเห็ น, นเห็นว่าใจเราดี่มีอะไรหุ้มหนาๆอยู่ให้รู้เฉยๆนะเป็นกลางกับมันถ้ามีปัญญาก็ผ่านไปได้ไม่ใช่มุ่งเอาแรงไปทำลายมันหรอก ก็สงบมากขึ้นนะคะหลวงพ่อแล้วก็ช่วงนี้มันจะเห็นมานะเยอะค่ะจะเปรียบเทียบทั้งในแง่แบบเขาดีกว่าก็อิจฉาเขาหรือว่าเราดีกว่าก็รู้สึกว่าตัวตนมันก็ใหญ่ขึ้นก็ไม่ค่อยตั้งมั่นนะคะเห็นว่ามันจะไหลเวลารู้ตัวมันก็คือไหลไปกับอารมณ์มแล้วดีวันนี้พาวนานได้ดีขึ้นนะดีหลวงพ่อคะถึงฐานกับตั้งมั่นเนี่ยมันเดียวกัน อันเดียวกันใช่ไหมคะคือถ้าตั้งมั่นก็คืออยู่กับตัวเห็นสิ่งที่ถูกรู้เออเห็นขันมันแยกออกไปได้นั่นดีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแต่เวลาดูนะต้องดูห่างๆถ้าเวลาดูแล้วจิตไหลไปรวมเพราว่าขันอย่างนี้นไม่ตั้งมั่นเวลาไปรู้สภาวะรินดวออกไหมจิตชอบไหลไปรู้คเอออย่างนี้นเรียกว่าไม่ตั้งมั่นถ้ารู้โดยไม่ไหลไปรู้เรียกว่าตั้งมั่นอะนี่ว่าถึงฐาน อ่ะต่อไปใครมาจากที่ไกลไกใครมาจากญี่ปุ่นไหมมีไหมนี้ห <c oughs> มูนี้ญี่ปุ่นเยอะเลยหนีรีภัยมาเ <c oughs> อาใครมาจากที่ไกลบ้างไกลไกลมีไหมไม่มีนะมาจากไหนล่ะจะสิบสามไกลไหมอ่ะไกลนะเราก็ไม่รู้จําอยู่ที่ไหนนึกว่าอยู่ถัดขอนแก่นไปคือหนเพึ่ง จะเริ่มฝึกอะค่ะแล้วก็ฟังตามซีดีหลวงพ่อแล้วก็เวลาคิดก็รู้ว่าคิดเนี่ยค่ะหรือเวลามีอารมณ์อะค่ะพอรู้ว่ามีหนูงงอะค่ะว่าถ้ารู้ว่าตัวเองมีแล้วมันจะมีอาการทางกายด้วยอย่างนี้มันรู้จิตหรือว่ารู้กายอะคะอ๋อมันรู้กายก็ได้รู้จิตก็ได้แต่ถ้ารู้แล้วจิตยินดีจิตดีร้ายให้รู้ทันนะมันรู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตแหละไม่เป็นไร แต่รู้แล้วรู้ทันจิตเช่นเห็นร่างกายเคลื่อนไหวจิตยินดียินร้ายรู้ทันเห็นร่างกายเจ็บขึ้นมานะจิตยินดียินร้ายขึ้นมารู้ทันอย่างเงี้ยสุดท้ายเมื่อรู้ลงมาที่จิตผ่านไปรู้ผ่านกายมาก็ได้แล้วเวลาหนูรู้ว่าคิดนี่หนูรู้ถูกหรือเปล่าว่าตัวเองคิดหนูดูออกไหมจิตเวลาจิตฟุ้งซ่านหนูรู้ไหมหมาถึงเวลาคิดแล้วรั่วคิดอุดตลุดเลยเวลาคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้อะไรเงี้ย จิตชฟุ้งซ่านไหมชอบค่ะเออเนะีเวลาจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านอย่างนี้ก็ใช้ได้เดี๋ยวมันจะค่อยๆสงบลงนะกิเลส ต, ตัวไหนเกิดบ่อยโมโหค่ะเออโมโหเกิดบ่อยตอบถูกเวลาโมโหเกิดขึ้นแล้วมันกระทบมาที่ร่างกายเห็นไหมใช่ค่ะออนี่ยไหนให้รู้ทันใจที่โกรธนะแล้วอยากให้หายไหมอยากค่ะเออนะ่ยให้รู้ที่อยาก เนี่เรียกว่าเรารู้ทันใจของเรานที่แรกความโกรธเกิดขึ้นรู้ว่ามีความโกรธอย่างนี้ใช้ได้พอความโกรธเกิดขึ้นแล้วจิตไปรู้แล้วอยากให้หายรู้ว่าอยากอย่างนี้ถึงจะใช้ได้ถ้ามีความโกรธอยู่จิตอยากให้ความโกรธหายไปจะไปจ้องอยู่ที่ความโกรธอย่างเดียวเมื่อไหร่จะหายเมื่อไหร่จะหายอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะหนูไปดูเข้ามาให้ถึงใจจริงๆใจที่ไม่ชอบความโกรธน่ะแต่มันก็โกรธบ่อยห้ามมันไม่ได้ไม่ใช่ภาวนาเพื่อไม่ให้มันไม่โกรธนะห้ามไม่ได้หรอก แต่พอวนาไปเพื่อให้เห็นในความกรธมก็ไม่เที่ยงอะโกรดได้ก็หายได้ไม่ต้องทำอะไรหรอกตามรู้ตามดูเรื่อยไปค่ะ ข, ขอบคุณค่ะเอาต่อไปใครจะคุยกับหลวงพ่อมาจากไหนล่ะห้าสิบสามญี่ปุ่นหรหอไหมมมาทุกวันเลยตอนนี้ญี่ปุ่นเอาไปส่งไปให้คนญี่ปุ่น่อยแต่คนญี่ปุ่นที่มาวัดนี่นะพูดไทยคล่องทุกคน <laughs> สงสารเลเด็กคนนึงได้ทุนโตเกียวเขาเรียกให้ไปเรียนเลยเขาไม่ยอมปลดว่าไงก็ไปเรียนอยู่ที่ญี่ปุ่นมาสองปีกว okay. ่าปิดเทอมก็กลับมากับพี่ชายก็ที่ผ่านมาก็จะคิดเสียเยอะครับจะหมดเวลาแบบการคิดเสียเยอะอะไรออยากให้มันเป็นไปดั่งใจทําไมอันนั้นไม่เป็นอย่างนี้อะไรครับอืวันหนึ่งเขาก็ไม่ก็ยังไงครับผมไปเรียนวาดภาพนะครับ แล้วพอวาภาพอยู่ดีๆมันก็ทําให้ผมหยุดคิดไปได้เองครับมันเกิดมันเกิดอะไรมันเกิดสติขึ้นมาแล้วมันก็มันเกิดขึ้นมาเองแล้วมันก็หายไปเองแล้วสภาวะนั้นมันก็สอนผมอืแล้วพอมันจําสภาวะนั้นไปได้มันเกิดขึ้นบ่อยครั้งเพราะว่ารูปบ่อยครั้งเข้าบ่อยครั้งเข้ามันก็สอนผมแล้วสภาวะนั้นมันก็เกิดมาอยู่ในชีวิตประจําวันด้วยก่อนทําอะไรมันก็วกกลับไปกลับมาอะไรครับก็เลยก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็อยู่กับเขาไปครับเข้ามายังไงก็ ก็เห็นเขาก็ดูเขาไปแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่ได้อะไรแล้วครับเได้แค่นั้น ด, ดีแล้วเห็นไหมว่าทุกอย่าง <c oughs> มาแล้วไป <c oughs> ถ้าใจเรายอมรับตรงนี้ได้นะเราเข้าใจธรรมะแนละ้ว <c oughs> เรายอมรับความจริงของชีวิตได้เลยว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไป <c oughs> ต่อไปไม่ว่าสิ่งที่ดีสิ่งที่เลวจะมานะหรือสิ่งที่ดีสิ่งที่เลวจะไปนะใจก็เสมอภาคกัน <c oughs> นะไม่ทุกข์หรอก <c oughs> ดีไป <c oughs> อา้าวใครจะคุย เ <Verse> บอร์สี่สิบเก้านมรสการค่ะหลวงพ่อเจอสภาวะรมคือเห็นตัวมันหมุนติ้วติ้วติ้วติติตแล้วก็แรงมากอยู่ที่ไหนที่มันหมุนแล้วมันหมุนตรงไหนมันตัวเราหมุนเลยอะค่ะโลกตัวข้างนอกนี้ตัวข้างนอกไม่หมุนค่ะอแต่เห็นว่ามันหมุนแล้วก็รู้สึกตัวตลอดแล้วก็เร็วมากแล้วก็มีแสงสว่างค่อยๆกระจายไปอะค่ะแค่รู้นะ กรู้ตัอย่าถลำลงไปรู้ก็สักพักก็ดับเลยพอเราเราไม่กลัวเออเกิดแล้วดับดูอย่างนั้นแหละแล้วทีนี้ก็อีกสภาวะธรรมคือมันนั่งสมาธิแล้วเหมือนมีคลื่นอะไรสักอย่างตลอดเวลาเลยอะค่ะปกติจิตมันปรุงแล้วมันก็กระจายไปเหมือนสว่างเหมือนอะไรอ่ะนั่นจิตมันปรุงนะแล้วก็รู้ว่ามันทุกดูถูกแล้วนะไปดูต่อไป แต่ดูแล้วต้องไม่ถลําไปดูก็มันมันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันก็ทุกหมดเลยอะค่ะน่แหละดีแล้วล่ะแล้วทีนี้ใจยังไม่เป็นกลางไปดูตัวนั้นหละดูตัวนี้นะคะเออสี่สิกรรมนมสการ์ค่ะหลวงพ่อคะตอนนี้ฝึกนั่งสมาธิอะค่ะแต่ตอนนี้มันมันไม่อดทนเอาซะเลยมันสี่สิบนาทีพอมันเห็นมันโมโหอะมันไม่พอใจที่มันไม่ทนเล ทนสิทำไมไม่ทนละ่ะมันมันเหมือนตอนนี้มีความโกรธเป็นพื้นอยู่เลยอ ะ, ะโน่นนั่นแหละให้รู้ทันใจที่มันโกรธขึ้นมานะดูแล้วจะจะทำยังไงกับมันมันถึงจะมีความอดทนนะคะต้องทนเอาอยากทนก็ต้องทนเอาสู้เด็ดเดียวนะสิลุกใจให้มันเข้มแข็งไม่ใช่โมโหมัมนนะ นิดไม่ค่อยทนแต่โมโหเอาโมโหเอาก็เวลาเดินมันยังเดินได้เป็นชั่วโมงแบบชั่วโมงกว่ามันก็เดินได้แต่เอลามานั่งมันมันชอบเดินให้มันเดินไปเดินดูกายทำงานเดินดูใจทำงานไปเ้ยนะถ้ามันหมดแรงขึ้นมาก็เดินรู้สึกอยู่ที่กายเฉยๆก็ได้ความสงบแล้วความสงบนี่ใช่เหมือนตอนวันเสาร์ที่ผ่านมาที่เดินรู้สึกตัวออกจากวัดพระแก้วแล้วมันมีความรู้สึกว่า เห็นร่างกายเดินแล้วตัวเย็นเย็นี่คือความสงบใช่ไหมคะอันนี้เออจะเย็นไม่เย็นไม่สําคัญนะแต่่เห็นเห็นกายมันเดินใ่เราเป็นแค่คนดูอันนั้นมันประกอบด้วยสมาธิเข้าไปด้วยมันเลยเย็นก็ดูแบบโมโหไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเออเี๋ยวไปห้ามมันนะห้ามไม่ได้หรอกดูไปจิตจะโมโหห้ามไม่ได้จิตเป็นเองจิตไม่ใช่ตัวเราหรอกมันโมโหได้เองไปดูตัวนี้นะดูนัดตาไว้ดูว่ามันเป็นเอง ต้องดูอนัตตาคนที้โมโหดูอนัตตาง่ายแล้วคนที่โมโหเนี่ยพวกนี้จะปัญญากราด้วยโทสะกับปัญญาพวกเดียวกันพวกรุนแรงนพวกปัญญากราต้องดูอนัตตาห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าอยู่ไหนเอ่ยนี่ทางนี้ทางนี้ส่งกันบ้านในรอบหกเดือนครับก็ครั้งที่แล้วที่มาทาหลวงพ่อ หลวงพ่อแนะนำใหไ้ไปปฏิบัติในรูปแบบช่วงนั้นก็มีโอกาสได้บวชประมาณ17วันแล้วก็มีโอกาสได้เข้าไปฝึกวิปัสสนาติปฐานก็หลังจากฝึกก็เห็นผลชัดเจนนะครับว่าตัวเองเนี่ย เ, เดิมเป็นคนที่มีทิฐิมานะสูงใครพูดอะไรมาถ้าไม่ไม่ถูกใจก็จะงุดงิดอตอนนี้พอฝึกมาปุ๊บก็เริ่ ม, เ ร, มเริ่มมีสติ รู้ตัวว่าตัวเองหงุดกิดเออใช้ได้อย่างั้นครับดีไปฝึกต่อต อ, น, น, ตอ น, นี้ก็ตอนนี้ก็ตื่นตื่นขึ้นมาตีสี่ตีตีสีครึ่งเนี้ย ม, มาเดินจงกรมก็ฝึกสติไปเรื่อยๆครับดีที<ๆ>ดูไปนะช่วงไหนจิตฟุ้งซ่านก็เดินไป<ๆ>เห็นร่างกายมันเดินจิตเป็นคนดูไม่ไปดูอย่างอื่นได้ความสงบเดินไปเดินไปเห็นร่างกายที่เดินอยู่มันไม่ใช่เราแะเหมือนคนอื่นเดินเลยนะ เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่ตัวเราอย่างนี้เดินปัญญ า, าเดินอย่างนั้นแหละเอา168คือตอนนี้ตื่นเต้นมากรู้สึกว่าความตื่นเต้นมากกว่าสติที่มีแต่ที่จะถามคือถามว่าช่วงนี้เหมือนเวลารู้สึกตัวจะมีสุขเกิดขึ้นมไม่รู้ว่าเป็นการปรุงแต่งของหนูเองที่ไปติดหรือว่ามันโอเคจิตเป็นปรุงของมันเอง ไม่ต้องทําอะไรดีแล้วล่ะสุขนั้นเป็นของแถมเวลามีสติขห้นมาว่ามีความสุขปุดขึ้นมาด้วยนะต่อไปพอมันชํานาญมันเกิดบ่อยๆมันจะอุเบกขามัไม่สุขแล้วเป็นอุเบกขาต่อไปมันหายนะอุเบกขาเรียกว่าจะเป็นเสียดายมันว่าความสุขหายไปแล้วสุดท้ายพวาวนาไปจะไม่ใช่สุขนะเห็นแต่ทุกข์เหลือแต่ทุกข์ล้วนๆเลย ถึงที่สติปัญญามันแก่กล้าพอไม่ใช่สุขแล้วมีแต่ทุกขตัวจิตหน้าตัวทุกไม่มีอะไรทุกเท่าตัวจิตเลยถ้าอย่างนั้นอย่ปล่อยวางร้อยสามสิบสามธรรสการครับก็ในขราวที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าผมคนนี้ยังดีนะนรมศาสการมีคนไปคุยกับครูบาเจริญพรครูบาว่าไงครับ ก็แต่เดิมเป็นเพ่งนะครับหลวงพ่อบอกว่าจริงๆเพ่งก็ไม่เป็นไรแล้วก็ให้ดูว่าจิตมันเกิดของมันเองนะครับออแต่ว่ามันก็ไม่เข้าใจมันก็ไปให้ความสําคัญคุ้นคิดแต่เรื่องนี้อยู่ตลอดนะครับมันก็ติดเพ่งมาตลอดแต่ว่าจนหลังๆนี้เริ่มรู้สึกว่ า, าเพ่งก็ได้ไม่เป็นไรออรู้มันแล้วก็มันก็เป็นอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับมันก็เริ่มคลายลงบ้าง น, <1988 S 1> นั่นแหละทำถูกแล้วครับแล้วของผมต้องอยังไงต่อหรือเปล่าครับ อย่าไปอยากให้สภาวะอย่างนี้เกิดอย่าไปอยากให้สภาวะแบบนี้ไม่เกิดสภาวะเท่าไรเท่าเทียมกันทุกอย่างเกิดเราก็ดับไปทุกอย่างบังคับไม่ได้เหมือนเหมือนกันดูไปจนใจมันยอมรับความจริงว่าทุกอย่างมันก็เหมือนเหมือนกันบังคับไม่ได้หรอกนะดูอย่างนี้แหละดีแล้วจิตเดินมาถูกแล้วละ่ะขอบคุณครับ192ครับนส ก, กา ร, ร์งหลวงพ่ อ, อ, อรอบหนึ่งปีครับ ก็ดูมาสภาวะเกิดดับไปเรื่อยแล้วก็ช่วงนี้ก็ฝืนกิเลสเพื่อสังเกตใจที่มันดิ้นมันอยากครับก็มันก็เรื่อยๆมาไม่มีอะไรแบบหวือหวาอะไรครับรู้ติดตรงไหนหรือเปล่าครับอะไรนะไม่มีอะไรหวือหวาครับไม่หวือหวาก็ดีแล้วนี่ครับก็เลยรู้ว่าไม่แน่ใจว่าติดหรือเปล่าเฉยไม่ล่ะมีบ้างครับนะอย่าให้เฉยก็แล้วกันแอคทีฟไว้นะวิธีแอคทีฟเพื่อหาผัสสะ ครบกระทบนะเช่นไปหาที่ภาวนาที่มันน่ากลัวหน่อยอะไรเงี้ยภาวนาเนี้ยสติปัญญาเนี่จะหมุนจีเลยไม่เ่วยมีนะครูบาอาจารย์บางองค์ท่านภาวนาแล้วท่านง่วงท่านก็ไปนั่งริมภูเขาก่าว่าท่าง่วงนะตกเหวตายเลยเนี่ยท่านก็ไม่ง่วงนะท่านก็นั่งภาวนาได้ดีวันหนึ่งท่านก็มาเล่าให้ลูกศิษย์ฟังว่าท่านใช้วิธีนี้แหละผ่านมาได้ ลูกศิษย์เอาบ้างแต่ไปตั้งริมเหวก็กลัวนะก็เลยนั่งริมระเบียงเ <laughs> พราะก็หลดลงมาจริงๆเ <laughs> พราะว่าจิตมันไม่กลัวระเบียงห <laughs> ้า55บ้าว่างคุณชิกราบหลงพ่อเจ้าคะ่ะรอบสามเดือนมานี้ยอมเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนคือรู้สึกว่ายึดมั่นในสิ่งต่างๆน้อยลง <laughs> แล้วก็ความทุกข์น้อยลงเจ้าค่ะ <laughs> แล้วก็รู้สึกมี ศรัทธามากขึ้นมีความเพียงมากขึ้นออสิ่งที่ออในการปฏิบัติเนี่ยโยมเห็นแต่เผลอแล้วก็รู้แล้วก็ติดตั้งมั่นกับไม่ตั้งมั่นแต่ว่าโยมไม่แน่ใจถึงการแยกรูปแยกนามเจ้าค่ะเห็นแตงนั้นแหละใช้ได้ละอย่างสภาวะแห่งความตั้งมั่นเกิดขึ้นแล้วก็หายไปเกิดสภาวะไม่ตั้งมั่นเราเห็นไปแต่จิตเราไม่ถล่มลงไปเท่านั้นแหละดูห่างๆดูสบายอย่างนั้นก็แยกแล้วโยมมีข้อบอกพร่องอะไรบ้างเจ้าค่ะ ไม่มีอะไรทำไปแรกีแต่จิตมันจิตมันถึงฐานเต็มที่ไหมตายกระจายใช่เออมันกระจายไปหน่อยนะดีรู้ทันนะจิตไม่ถึงฐานสามสิบเอ็ยวันนี้หลวงพ่อต้องต่อสู้กับความง่วงของญาติโยมมากมายห <c oughs> น้าต า, าชวนหลับค่ะหลวงพ่อก็นาเราไม่ได้ส่งกันบ้านกับหลวงพ่อค่ะก็ จริงๆเราก็ไม่มีอะไรสง่งแต่ว่ารู้สึกว่ามันมีความขุนนิดนึงอ่ะตอนที่แบบคุยธรรมะกับคนอื่นอะไรอย่เงี้ยค่ะซึ่งแบบสังเกตไหมมันขุนของมันเองฮะนะดูให้เห็นหน้ามันขุนได้เองอ ม, มันใสมันก็ใสได้เองทุกอย่างมันไม่ได้อยู่ในอำนาจ บ, บังค<ะ>ับค่ะหัดดูไปเรื่อยเลยจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วสั่งไม่ได้เลือกไม่ได้ดูอย่างนี้เรื่อยไปอใช่เพราะว่ามัน รู้สึกว่าตอนมันถูกแล้วแบบหนูเองก็แบบควบคุมไม่ได้อ่ะไม่ได้ เ, เออมันก็ไหลไปสักพักพอรู้ตัวแล้วค่อยแบบตื่นมันก็จะแบบนิ่งไปเองอะ่ะอื ม, อมตอานี้รู้ว่ามันคุมไม่ได้ก็รู้สึกคุมไม่ได้ตอนนั้นมันรู้สึกว่าเหมือนโง่ในวิญญางสั่งมันไม่ได้หรอกนะดูบ่อยๆจนจิตยอมรับความจริงว่าไม่มีอะไรที่เราสั่งได้จริงหรอกไม่มีอะไรอยู่ในอํานาจบังคับของเราได้จริงหรออืม แต่ว่าทำมาตั้งนานเราสึกว่าเหมือนแบบมันถอยลงอะหลวงพ่อมันถอยยังไงฮะมันหลุมหมดแรงแล้วหมดแรงก็ทาความสงบบ้างะนะทำในรูปแบบไปพุโทโธไปอะไรเงี้ยพอจิตมันสงบเป็นครั้งเป็นคราวนะมันได้แรงอ๋อพอดีหนก็ท่องแบบนโมนโมตัสสะอะไรเงี้ยแบบนั่งอยู่เฉยก็ท่องท่องประมาณเนี้ยแต่ท่องแล้วต้องปลุกใจให้ตื่นหน่อย อย่าปท่องแล้วซึมๆปลูกยังไงคะหลวงพ่อ Active หน่อยนโมตัสสะพักเาว่โตเต็มไปด้วยนี่เห็นไหมตื่นกว่ากันเยอะเลยนโมตัสสะพักเว่านี้ก็ไม่ดีสิ๋อมันรู้สึกเหมือนมันท้องไปเงั้นๆเลยอะเหมือนมันท้องไปก็แบบเงั้นเพราะมันไม่ตื่นน่ะหรอคะไม่อ่ะปลุกใจให้ตื่น Active ให้มา Active ขึ้นมขยับตัวหน่อยก็ได้ค่ะ175ขอบคุณค่ะ จะปริกรรมจะทำอะไรนะจิตต้อง a l e r ไวห้หน้าไปทำด้จิตเฉยเฉยไม่ดีหรอกหลวงพ่อคะทาไมคือคื อ, ค อ, คอมีความรู้สึกว่าบังคับให้กลับไปนั่งสมาธิได้ยากมากค่ะหลวงพ่อ <atherine> นั่งได้แป๊บเดียวก็ไม่ยอมแล้วค่ะเหรอทาไมล่ะมันอยากไปทาอะไรมันอยากเดินปัญญาหรือหรืออยากไปดูหนังไม่ค่ะ คือหนูรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้หนูรู้รู้บ่อยขึ้นมากว่าออตัวเองโดนกิเลสคาไปกินวันละหลายห ล, ห ล, หลรอบเลยเจ้าค่ะดีดแล้วพอเวลารู้สึกตัวก็อ อ, อีกแล้วหรออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่แต่ก็ไม่เชิงว่าปล่อยไปเลยค่ะหลวงพ่อแต่ก็ไม่ได้ทุกข์ร้อนตรงกั บ, ก, บกับตรงนั้นคือเพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้ไปทําจนผิดศีล น, นะคะแต่จะรู้ตัวว่าเผลอไปอีกละอื ไปอีกแล้วหรอเอาอีกแล้วหรออย่างเงี้ยค่ะนานไหมเผลอนานไหมเป็นบางช่วงค่ะบางช่วงก็ทีบางช่วงก็ไทยเวลาเผลอเผลอนานแค่ไหนเป็นชั่วโมงค่ะไม่นานไปนึ้ว่าสามวินาทีชั่วโมงนานไปเราต้องฝึกให้สติไววิธีฝึกสติไวนะหาเครื่องอยู่ให้จิตแม่นจะอยู่กับพุทโธอยู่อะไรก็ได้นะอยู่กับลมหายใจอยู่อะไรก็ได้สักอย่างหนึ่ง แล้จิตหนีไปเนี่ยเรารู้ไวๆเช่นพุทโธพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นเรารู้จะฝึกต่อไปเรื่อยช้ำนิช้ำนานพระจิตขยับตัวนิดเดียวสติเกิดเลยนะมันจะไม่หลงเป็นชั่วโมงหรอกไปทำตัวนี้นะคจะได้ดีกว่านี้ที่ทําอยู่ก็ดีขึ้นเยอะแล้วล่ะขอบคุณเจ้าค่ะเมื่อก่อนนี้เซลจัดไหมเอาหกสิบกราบนมัสการหลวงพ่อนะคะ ก็เห็นเห็นจิตมันไหลไปอยู่เรื่อยๆเนี่ยค่ะอืมก็ถูกแล้วนี่สลับกับพุทโธที่หลวงพ่อให้ทนั่นแหละนั่นแหละเป็นอย่างนั้นแหละพุทโธสบายๆหลงไปแล้วลุงถูกค่ะแล้วก็รู้สึกว่าที่หลวงพ่อให้ทําในรูปแบบอะค่ะที่ว่าหนูทําเช้าเย็นอก็รู้สึกมันมาอยู่ในชีวิตประจําวันได้มากขึ้นใช่ไหมคะใช่ดีให้หลวงพ่อชี้แนะที่ลูกทําอยู่นี่เจ้าค่ะอืม พอใช้ได้ในอยู่ในทาง อ, อ, อย่างนี้นะคะดีขอบพระคุณเจ้าค่ะเออไปทําต่อร้อยยีบสมกับร้านสการหลวงพ่อครับอ่าคือผมเพิ่งมาที่นี่วันแรกครับอ่าอยากจะถามหลวงพ่อจากฟังเทศมช่าครับผมถามว่าสติกับสมาธินี่ต่างกันยังไงครับสติเป็นตัวรู้ทันนะว่าอะไรเกิดขึ้นสมาธิเป็นความตั้งมั่นของจิต เวลาที่เราย่งเราหายใจอยู่หรือเราเดินอยู่อย่างเงี้ยนะเราไม่ลืมว่ากำลังหายใจอยู่หายใจออกเราก็รู้สึกหายใจเข้าก็รู้สึกเดินอยู่ก็รู้สึกก้าวขาซ้ายขาขวาก็รู้สึกตัวที่เป็นตัวรู้สึกเนี่ยเรียกว่าสติแต่ในขณะที่รู้สึกเนี่ยใจเราต้องไม่ถลาลงไปรู้เวลาที่เรารู้สภาวะทั้งหลายเนี่ยใจเราไม่ค่อยมีสมาธิชอบถลาไปรู้ยกตัวอย่างง่ายๆลองดูพระพุทธรูปสิ คุณลองดูซิยอดพระพุทธรูปเนี่ยเอียงข้างซ้ายหรือข้างขวาข้างขวาครับสังเกตไหมตอนที่เราจดจ่อดูพระพุทธรูปเนี่ยใจเราไหลไปอยู่ที่พระนึกออกไหมอย่างเนี้ใจเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วใจเราไม่ตั้งมั่นอยู่ที่ตัวเองแต่ไปสงบนิ่งอยู่ที่พระพุทธรูปอันนี้เป็นสมาธิที่จิตสงบอยู่ในรมันเดียวนะแต่ถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันว่าจิตเรากําลังไหลไปอยู่ที่พระพุทธรูปแล้วรู้ทันว่าจิตกําลังไหลไป จิตจะตั้งมั่นขึ้นมาจะได้สมาธิอีกชนิดหนึง่งสมาธิ Goddess. ที่จิตตั้งมั่นเราั้นสมาธิมีสองงานอันหนึ่งจิตไปสงบนิ่งอยู่ในสภาวะอันใดนหนึง่งอย่างพอเราดูยอดพระพุทธรูปจิตไปอยู่ที่พระพุทธรูปเลยนี่สงบนะ้วแต่ว่าถ้าเรารู้ทันว่าตอนนี้จิตเราไหลไปอยู่ที่พระพุทธรูปแล้วการไหลนั่นจะดับไปจิตจะตั้งมั่นขึ้นมานี่เป็นสมาธิชนิดที่สองที่จิตตั้งมั่นขึ้นมา ไปซ้อมดูตัวนี้นะอย่าไปดูทีวีเดี๋ยวจิตก็ไหลไปในทีวีเดี๋ยวจิตก็ไหลไปคิดถ้าเมื่อไรคุณเห็นจิตไหลไปไหลมาได้นะคุณจะได้จิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาไม่ไหลแต่อย่าบังคับมันนะอย่าบังคับว่าห้ามไหลอย่างตอนนี้จิตไหลไปคิดใช่ไห ม, มใจไปคิดนะนึกออกไหมไม่แน่ใจเหมือนกันครับเออยัง<อ>ไม่แน่ใจไม่เป็นไรรู้สึกร่างกายบ่อยๆนะก็คือ เราก็ให้รู้กรับมาที่ตัวใช่ไหมครับใช่ใช่อย่าให้มันร่อนเรี้ยวก็คือ<ป>เวลาเรารู้กรับมาที่ตัวครั้งหนึ่งก็จะเป็นการมีสติแล้วเมื่อรู้รบ่อยๆเข้าตรงที่เรารู้ตัวว่าหลงไปอะเรามีสติแล้วอันนี้คือคือจะเป็นบอ่อเกิดของสมาธิอย่างงี้ใช่ไหมครับพอเรารู้ว่าจิตไหลไปนะจิตก็ไม่ไหลก็ได้สมาธิขึ้นมาครับ เ, เรียนถามหลวงพ่ออีกข้อหนึ่งครับคือผมเคย เหมือนนึกนึกคำพูดอย่างเช่นนึกพุทโธพุทโธอย่างเงี้ยครับแต่บางทีแล้วอันนี้เป็นการนึกเฉยๆครับแต่บางที ก, ก็ก็บางทีก็อารมณ์นั่งว่างๆสบายๆก็อยากรู้ลมหายใจบ้างอะไรเง<ม>ี้ยถ้าเกิดเราทําทั้งสองแบบมันจะได้ท <ำ S 2> าําควบคู่กันไม่ได้ได<พ>บางทีก็ควบไปเลยบางทีก็นึกบางทีก็รู้ลมหายใจได้ได้แต่ไม่ต้องมีอันที่สมนะ ไ, รรไม่ต้องมีอันที่สามเอาสองอันพ อ, อ, อเอาพุทธโธกับลมหายใจพอนะคือกรรมฐานเนี่ยไม่ว่าเราจะทํากรรมฐานอะไรนะเวลาที่จิตจะรวมลงมาจริงๆมันก็จะมารู้ลมหายใจได้นะเป็นธรรมชาติเลยถึงไปกระทํากรรมฐานอย่างอื่นนะไปเจริญเมตตาเจริญอะไรนะตอนที่จิตจะรวมก็เข้ามาที่ลมนะพอรู้ลมแนละ้วจิตก็รวมลงไปนะเป็นปกติดอกอบ ค, ครัแต่ไม่ต้องมีอันที่สาม พุโธกัลมพอละมากกว่านั้นยุ่งละสี่สิบเจ็ดข้างหลังนะข้างหลังพระอาจารย์ครับพระาจารย์ครับตอนแรกฝึกแบบดูจิตครับแต่ดูแล้วรู้สึกมันดูไม่ออกมันฟุ้งซ่านอืมตอนหลังๆเปลี่ยนมาเป็นดูกายได้ดูกายจะดูชัดกว่าครับพระอาจารย์ออรแล้วพอดูกายชัดออมันก็ย้อนกลับไปดูมันก็เห็นจิตเองเลยใช่ครับพระอาจารย์อย่างที่พาจารย์สอนครับ แต่พอรู้สุกดูกายมากๆเนี่ยมันรู้สึกว่ากายมันแยกออกจิตมันอยู่ต่างหากเนาะใช่ครับหลวงพ่อนั่นแหละถูกเลยนะสิ่งที่หลวงพ่ออยากให้เป็นเป็นอย่างนั้นแหละใช่ครับรู้สึกว่ามันเกิดโดยอัตโนมัตินะครับ เ, ออเพราะว่าตอนแรกจงใจไปดูจิตอย่างเดียวดูจิตไม่ออกดูไม่ออกเพราะว่าความโลภมันเกิดข้พาพเจ้าเมันบังหมดเลยครับพระอาจารย์ครับอยากให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายเพิมเ่มเติมเรื่องกินยืนนั่งนอ น, น, อนยืนนั่งนอนกินเดินทำนี้ให้รู้สึกตัวรู้สึกยังไงครับพระอาจารย์ครับ ก็เห็นร่างกายเห็นจิตใจนะมันทํางานไปเราเป็นแค่คนรู้มันอย่างยืนอยู่เนี่ยเห็นร่างกายมันยืนใจเป็นคนดูนั่งนอนนะกินดื่มทำํำนะเห็นร่างกายมันนั่งนอนกินดื่มทําพูดเนี่ยเห็นใจมันพูดขึ้นก่อนแล้วปากมันพูดทีหลังใช่ครับอานะจารย์เนี่ยเห็นไหมรู้ทั้งกายทั้งใจหรอกรยืนเดินนั่งนอนก็ร่างกายก็เดินไปร่างกายยืนไปจิตมันก็เป็นคนสั่ง ั S <S อบอาแา น, น่หัดดูไปนั้นเราจะเห็นทั้งกายเห็นทั้งจิตนะรู้สึกจะรู้เลยว่าไม่มีเราหรอกครับอาจารย์รู้สึกว่าพอดูไปคือจิตมันเริ่มดูได้อย่างต่อเนื่องมันเริ่มดูได้อย่างอัตโนมัตินะครับนั่นแหละมันรู้สึกว่ามันมันดูแลสักอย่างหนึ่ง<อ>แต่มันมันไมไ่รู้สึกลงไปว่าเป็นตัวของเรามันก็แปลกถูกดีผมว่าูกแล้วใช่ไหมครับอาจารย์เออเป็นลูกศิษย์ที่ดีเลยเรียนได้อย่างเนี้ยครับอาจารย์ขอบคุณครับยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิด แต่ว่ารู้สึกว่าคือตอนแรกที่ฝึกแรกๆมันก็ฝึกเราอยากอยากได้อยากรู้อยากเห็นออแต่พอดูกายไปมากๆรู้สึกว่าออไม่รู้ว่าจะอยากได้อยากเห็นไปทําไมให้มันไปเรื่อยๆอย่างนี้นถูกไหมครับนเป็น<ช>เองหแหละนะเพราะฉั้นเวลาการดูจิตดูจิตเนี่ยนะมันมีสองสเต็ปนะดูจิตเพื่อให้เกิดสมาธิเนี่ยทุกคนต้องทําครับมันเรียกว่าจิตสิกขาครับนะบทเรียนชื่อจิตสิกขาบทเรียนมี3บทนะของพระพุทธเจ้าบทเรียนที่1ชื่อศีลสิกขา บทเรียนที่สองชื่อจิตตสิกขาต้องมารู้เรื่องจิตถ้ารู้เรื่องจิตจะได้สมาธิได้จิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วถึงขั้นปัญญาสิกขาเนี่ยเบื้องต้นบางคนดูกายก่อนถ้าดูกายเป็นก็เห็นจิตบางคนดูเวทนาดูเป็นนั้นก็เห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตบาางคนดูจิตนะก็จะเห็นกายเห็นเวทนาเห็นสังขารเห็นจิตอีกมันจะกระจายด้วยเห็นหมดแหละรวมความครับอาจารย์รู้สึกว่าคือถนัดดูกายแล้วก็ตอนนี้รู้สึกมันเริ่มเรียงปัญญาครับ ถูกต้องครับแล้วก็พอนั่งนั่งกรรมฐานก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้อยากได้อะไรแต่ว่าเหมือนกระกายมานั่งไปเรื่อยๆพอดูลมหายใจหรือว่าดูพุโทโธก็จะเห็นว่ามันเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่กาลังทําอยู่โอ้ถูกมีสิ่งหนึ่งทํามีสิ่งหนึ่งดูใช่ครับอาจารย์ครับดีครับใช้ได้นะครับอาจารยเอย่างนี้เข้าใจที่หลวงพ่อพยายามบอกอะ่ะครับก็ฝึกมาเรื่อยๆก็มันเจริญขึ้นมาเรื่อยก็ดีครับโมทนาด้วยครับอาจารย์ครับ65 หก้านั่งเก้าอี้นี่นั่งเก้าอี้มรดการค่ะมาส่งกันบ้านรอบปีนะคะหลวงพ่อแล้วก็ปีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็พัฒนาขึ้นค่ะความเป็นกลางที่เห็นเนี่ยมันเกิดจากการที่เราไปเห็นว่าอะไรเกิดแล้วก็ดับเริ่มเห็นการเกิดการดับเยอะขึ้นแล้วก็มันก็เห็นการทํางานของขันนะคะแยกออกไปแล้วก็รู้ว่าแต่ละขันมันก็ต่างคนต่างทํางานของมันเองเออแล้วมีตัวหนึ่งชอบไปยุ่งกับเขาทุกขันเลย <c oughs> จิตเนี่ยชอบไปแทกแซงขันอื่นๆดูออกไหมมันเหมือนกับว่ามันไปเห็น ๆ, ๆอย่างเงี้ยค่ะไ้เห็นหน่าดีจะมันชอบไปยุ่งเลยต้องอย่างนี้สิต้องอย่างนี้สิเ น, นะก็ตอนนี้เริ่มเหมือนกับว่าเรามีความมั่นใจอะค่ะว่าเรารู้แล้วว่าเราจะต้องเดินไปทางไหนถูกต้องแล้วดีแล้วเหมือนไปได้ด้วยตัวเองนะเหมือนรู้แล้วมั่นใจด้วยตัวเองได้หมดแล้วค่ะขอบคุณค่ะ เบืยี่สิบเอ็ดกับนุมาสการหลวงพ่อครับเป็นคนที่ฟุ้งซ่านแล้วก็ขี้ลังเลสงสัยเยอะครับก็อยากจะรบกวนหลวงพ่อนิดนึงให้ช่วยแนะนำเกี่ยวกับความลังเลสงสัยนะครับเพราะว่าดูดูไปที่ร่างกายเราเลยสิดูจิตยากนะมันฟุ้งมากอะ่ะคอยดูร่างกายเห็นร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอน ฝึกทำใจให้เป็นแค่คนดูนะฝึกไปเรื่อยสักพักหนึ่งเราก็หายสงสัยแรกแรกต้องทนเอาก่อนแล้วความลังเลสงสัยต้องหาคาตอบไหมครับไม่ต้องการที่เราเรียนกรรมฐานาเนี่ยนะวัตถุประสงค์มีนิดเดียวเราต้องการเรียนเพื่อให้เห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นแหละดับไปเพราะงั้นความลังเลสงสัยเกิดขึ้นเนี่ยไม่ต้องไปคิดหาคาตอบ เราก็จะเห็นเราเฝ้ารู้ไปพอจิตมันสงสัยเรารู้ว่าสงสัยเราก็จะเห็นความสงสัยเกิดแล้วก็ดับไปเช่นเดียวกับสภาวะอื่นๆเมื่อเราไม่ได้เรียนเพื่อให้เกิดความฉลาดรอบรู้อะไรทั้งสิ้นเราเรียนเพื่อให้เห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นนั่นแหละดับนะความสงสัยเกิดแล้วก็ดับความสงสัยเป็นกิเลสกิเลสทุกตัวเนี่ยทำหน้าที่ชนิดเดียวกันนะคือทําทหน้าที่ให้เราเลิกรู้สึกตัวแต่จะพาให้เราหลงไปคิด อย่างความสงสัยเกิดขึ้นเนี่ยแทนที่เราจะรู้ว่ากําลังสงสัยเนี่ยเราจะไปคิดหาคําตอบเนี่ยกิเลสฉลาดกิเลสหลอกเราสําเร็จแล้วความโกรธเกิดขึ้นแทนที่เราจะรู้ว่าจิตกําลังโกรธอยู่เราก็ไปคิดถึงคนที่เราโกรธไม่ดูจิตตัวเองนี่กิเลสทํางานสําเร็จแล้วความโลภความรักเกิดขึ้นเราไปคิดถึงคนที่เรารักอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่าจิตกําลังรักอยู่นี่กิเลสทํางานสําเร็จแล้วนีกิเลสเนี่ยจะทําหน้าที่ให้เราเลิกรู้สึกตัวอย่าไปเชื่อมันนะ เพราะนั้นความสงสัยเกิดขึ้นก็ทําหน้าที่หลอกให้เราไปคิดจะได้เลิกรู้สึกตัวให้เราหันมารู้ทันว่าจิตกําลังสงสัยอยู่แล้วเราจะเห็นว่าความสงสัยเกิดได้ก็ดับได้ดับเองแหละความโลบเกิดได้ก็ดับได้ความโกรธเกิดได้ก็ดับได้ถ้าดูจิตไม่ออกนะก็เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนไปใจเป็นคนดูถ้าพอมีแรงขึ้นมาก็เข้ามาดูจิตเห็นจิตทุกชนิดแหละทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมานะั้นเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลยฝึกอย่างนี้บ่อยๆนะ พอไหวไหมพอไหวครับไปทํานะไปท ำ, นะปทำแล้ววันหนึ่งจะสิ้นสงสัยเวลาเราสงสัยขึ้นมาเราไปคิดหาคําตอบเราจะไม่มีวันหมดสงสัยในทางศาสนาพุทธเลยแต่ถ้าเรากล้าหารพอนะไม่กลัวโง่นะกล้าพอที่จะเผชิญหน้าความสงสัยเกิดขึ้นรู้ว่าสงสัยเราจะเห็นว่าความสงสัยก็เป็นสภาวะอันหนึ่งเช่นเดียวกับสภาวะอย่างอื่นคือเกิดแล้วก็ดับแทนที่มันจะมาหลอกเราให้เลิกรู้สึกตัวนะเราเอามันมาทำกรรมฐานเลย เบอร์29ส่งกันบ้านครั้งแรกค่ะก็ที่ปฏิบัติมาก็เห็นว่าอารมณ์โกรดน้อยลงค่ะแต่ว่าความฟุ้งซ่านใจลอยอะไรอย่างเงี้ยยังมีเหมือนเดิมค่ะไม่ไม่ห้ามหรอกนะแค่รู้ทันไวๆก็พอแล้ ว, ลวบางทีแบบมันรู้ทัทนช้าค่ะเดอช้าเท่าไหร่คือเผลอไปนานแล้วแล้วก็เพิ่ง ม, มารู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยกี่นานทีละ เป็นสิบวินเป็นสิบนาทีอาาะค่ะใหสิบนาทีก็นานไปหน่อยนะใช่แล้วชอบคิดทั้งวันอะไรอย่างเง<อ>ีษษ้ยตรงนี้นเราเราหากรรมฐานมา ก, ก่อนน ะ, ะกรรมฐานอยู่กับพุทโธอยู่กับอะไรเงี้ยพอจิตหนีไปคิดจะจะรู้ไวๆต่อไปมันจะไม่คิดนานทั้ง10นาทีถึงจะรู้หรอกพอไหลไปคิดปั๊บก็รู้สึกเลยค่ะแล้วที่หนูฝึกมานี้เป็นยังไงบ้างคะรู้ดีขึ้นหรือเปล่าละก็ะะรู้สึกว่า เวลาโกรธหรืออะไรมันจะไม่นานเท่าเดิมค่ะนั่นแหละเพราะเรารู้ทันว่าใจมันโกรธใช่ไหมค่ะดีเนีย่ยงนี้นแหละพัฒนาอ่าเบอร์สองเบอร์สองในมัการค่ะคือยังหากรรมฐานที่ถูกกับจริตของตัวเองไม่ได้ชี้โมโหไหมชี้หงุดหงิดไหมชี้โมโหค่ะออกรรมฐานอะไรเหมาะกับคนชี้โมโหนะ้อโมโหแล้วรู้สิโมโหเราก็รู้ทันโมโหเราก็รู้ทันนะนนรู้ไว โมโหพอจะรู้ทันแล้วค่ะแต่ว่ามันใจมันไม่มีแรงมันจะไหลไปตามโมโหอะค่ะเออให้รู้ทันว่าใจไหลไปพอไหลไปทีไรใจก็ทุกทุกจีเลยใช่รู้สึกไหมค่ะเอออีกหน่อยมันมีแรงเองมันกลัวทุกต้องนั่งสมาธิทําสมถะเพิ่มไหมอะค่ะมันทําไหวรึเปล่าทำไม่ไหวมั้งใช่ค่ะรู้สึกว่าทําไม่ได้อะค่ะเอออย่าไปฝืนมันสิทำไม่ได้ให้รู้ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะท่องพุทโธไปก็ได้อ๋อค่ะ กุศโตนง่ายนะง่ายๆขอบคุณค่ะร5 6หสค่ะ <15 6. S 2> ส่งการบ้านในรอบหนึ่งปีอะค่ะก็ล่าสุดหลวงพ่อบอกว่าให้ดูลงปัจจุบัน ะ, ะก็คือเวลาส่งการบ้านจะรู้สึกขยัขยงนตัวเองเพราะว่าเคยกลับไปฟังแล้วมันรู้สึกว่าตนทำงานมันจะน่าเกลียดเงนี้ค่ะมแม้กระทั่งตอนนี้ก็ยังรู้สึกขยงอยู่เหมือนกันก็คือ เวลาปฏิบัติในรูปแบบอะไรเงี้ยค่ะก็ยังรู้มีความจงใจอยู่นะคะแต่ว่ามันจะเป็นธรรมชาติตอนนอนเพราะว่าเพราะเวลาตอนนอนมันจะมีความสุขเงี้ยค่ะก็จะคะ่อนข้างเห็นแบบกายกับใจแยกกันเห็นตัวเองนอนกรนเนะะี่ะดีดีแต่ว่าถ้าเวลาอยู่แบบปฏิบัติในชีในชีวิตประจําวันเงี้ยค่ะก็จะค่อนข้างแบบมีความจงใจเงี้ยก็จะไม่ไม่ค่อยธรรมชาตะะิเงี้ยค่ะก็จะเห็นแค่เป็นร่างกายเป็นโครงโครงยังไม่ได้แยกกันชัดเจ น, นะะเงี้ยค่ะอันนี้จงใจไปรู้สึกไหม แต่ถ้าจงใจมันจะรู้สึกทื่อๆนะใช่ค่ะแต่ว่าถ้าตอนนอนมันเหมือนแบบมันปล่อยหมดมันก็แบบมันรีคซะแล้วมันดูง่ายก็จะเห็นแบบต่างคนต่างทํางานการหายใจเนี่ยค่ะเนี่ยค่อยๆฝึกไปในชีวิตประจําวันเนี่ยนะจนกระทั่งเหมือนตอนนอนเห็นขันมันทํางานคือตอนนี้มีความรู้สึกมันมีสภาวะหนึ่งที่แบบว่า คือด้วยความที่กลับไปทํางานได้สามสี่เดือนรู้สึกว่าโดนโดนแบบดูดไปกับอยู่กับโลกเงนี้ยค่ะนางมาไล่มันก็กลับไปเยอะแล้วรู้ทันมันแล้วมันรู้สึกมันจะมีสภาวะหนึ่งที่แบบพอมันมามองโลตรงกลางใจเงนี้ยค่ะมันจะแบบมันร้อนเงนี้ยค่ะมันมันเหมือนมันโดนเผาเงี้ยเออมันถูกไฟเผาถูกแล้วแล้วมันรู้สึกช่วงนี้จะแบบคืออย่างเนี้ยพูดยังจะเป็นเลยค่ะว่าแบบมันเหมือนมันจะร้องไห้เงี้ยเออให้รู้ทันมันรู้ทันมันไปด้วย มีอะไรต้องระวังไหยคะใจมันใจมันมีโทสะเชื่อบ่อยๆใช่ค่ะแล้วก็รู้ทันมันเป็นกลางกับมันไว้ถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็ช่วยมันคิดพิจารณาใช้คิดเอาคือเป็นอุบายคือเคยเคยพยายามแบบถ้าแบบเวลาคิดอะไรเงี้ยมันจะเหมือนทื่อๆอย่างเงี้ยค่ะอะไรนะมันจะดูเวลาพิจารณาใช้ความคิดพิจารณามันจะรู้สึกทื่อๆค่ะอ๋องั้นไม่ต้องก็ได้ เพราะว่าปกติเวลาถ้าดูแบบดูตรงๆไปเลยเงี้ยมันจะรู้สึกมันมันจะธรรมชาติกว่าอ๋อใช่ใช่คนขี้โมโหดูตรงๆไปเหอะดูอย่งั้นแหละเหมาะกว่าใช่เวลาดูตรงๆมันโล่งกว่าจิตมันฟุ้งซ่านให้รู้ว่ามันฟุ้งซ่านนะไม่ห้ามมันไม่ไปโกรธมันแค่มันฟุ้งซ่านรู้ว่ามันฟุ้งซ่านรู้ไปสบายๆเห็นเหมือนเห็นคนอื่นฟุ้งซ่านดูอย่างนี้นะ อ่ะต่อไปกราบน้ำส ก, การครับปกติฟังซีดีครับแต่ว่าวันนี้มาส่งกันบ้านครั้งแรกอืคือว่าก็ฟังซีดีหลวงพ่อบ่อยใจก็ตื่นให้มาเองครับอคราวนี้คือก็ส่วนมากก็จะรู้ว่าจะหลงไปคิดบ่อยดีแต่ว่าปัญหาที่เจอก็คือว่าเหมือนกับการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ค่อยต่อเนื่องครับคือช่วงที่ปฏิบัติขึ้นมามันก็ดีแต่พอช่วงที่เหมือนกับ ไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยมันก็ลุดไปยาวเลยครับเราพยายามนะเราถือว่าชีวิตเราเกิดมาเนี่ยมาปฏิบัติมายกระดับจิตวิญญาณเราให้สูงขึ้นส่วนการที่ต้องไปแบ่งเวลาไปทำมาหากินไปทำหน้าที่ทางโลกอะไรนี่เป็นความจำเป็นนะงนั้นงานหลักของเราคือภาวนามีเวลาเหลือนิดนีหน่อยหน่อ ย, อยะก็ดูของเราไปเรื่อยไม่ทิ้งไม่งั้นเราจะละเลยนะแค่เหลือเวลานิดหน่อยก็โยนทิ้งไป ทีแรกทิ้งมีเวลาว่าง3นาทีไม่ดูจิตไม่ดูกายทิ้ง3นาทีต่อไปมี10นาทีก็ทิ้งอีก10นาทีนะไม่เคยชินทิ้งยาวนะพยายามสนใจสนใจแหมนะจะได้พัฒนาเร็วๆทำได้ดีนะขอบคุณครับดูออกพเราดูก็ตอนนี้ไม่ค่อ อ, อกแล้วครับ่ดูออกไหมว่าที่เราภาวนามาเนี่ยเราเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนครับนะดีพอเวลามันรู้สึกคิดอะไรขึ้นมาบางทีมันก็จะรู้เลยว่าหลุดไปแล้วดีนั่นแหละฝึกอยนานั้นแหละดีละต่อไปเบอร์อะไรเกาบกลับนมัสการพระอาจารย์ครับผมไม่ได้มาส่งกันบ้านระยะหนึ่งแล้วครับแล้วก็มีความรู้สึกตัวรู้สึกว่าเป็นปกตินะครับทำให้ และลึกถึงบุญคุณของพระอาจารย์อยู่เสม อ, อครับของพระพุทธเจ้าครับนะอย่าลืมนะถ้าไม่มีพุทธเจ้าจะไม่มีธรรมะอย่างนี้เลยครับนะท่านหามาได้ด้วยความยากลํำบากลงเพราะหา ง, ง่ายอะเรียนจากครูบาอาจารย์นะอ่ะว่าไปครับได้ได้มีความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นเหมือนคนปกติขึ้นมาความขี้โมโหก็ลดลง ก็ความดิน้นรนถ้าดิน้นรนโลโมโตสันเยอะก็ ร, รู้สึกตัวคุณภาวนาได้ดีมากๆเลยนะดีทำไปอีกก็กลับขอบพระคุณนะครับอนุโมทนาด้วยทำได้ดีอยู่เหมือนเป็นคนใหม่รู้สึกไหมรู้สึกครับดี อาเบอร์รห ก, กับนมัส ก, การหลวงพ่อคะ่ะส่งกันบ้านได้รอบหนึ่งปีคะ่ะก็ที่ปฏิบัติมาก็รู้เนื้อรู้ตัวมากขึ้นแต่ว่าช่วงนี้ติดสภาวะคือไม่เป็นกลางกับสภาวะที่เกิดขึ้นนะคะน้อมไปทางแบบซึมแล้วก็หดหูคะ่ะช่วงนี้คะ่ะหลวงพ่ออยากหายไหมอยากนั่นแหละไม่เป็นกลางนะ <c oughs> ให้รู้ไป หลักของการภาวนาเนี่ยอันแรกเลยรู้สภาวะทุกอย่างที่เกิดขึ้นในกายในใจนะสภาวะอะไรเกิดก็รู้ไปอย่างที่สองรู้ทันจิตใจที่มีปฏิกิริยาต่อสภาวะนั้นนะเช่นจิตใจหดหูรู้ว่าหดหูนี่อันที่หนึ่งอันที่2อหดหูแล้วอยากให้หายจิตเกิดปฏิกิริยาแล้วไม่ชอบอยากให้หายรู้ว่าอยากให้หายนะพอความอยากตัวนี้ดับนะความโหดหูก็หายไปด้วยเพราะความหดหูนั้นเป็นอดีตไปตั้งแต่แรกแล้ว ทันทีที่ความอยากเกิดขึ้นนะตัวที่เป็นพระเอกเป็นนางเอกในขณะนั้นคือความอยากไม่ใช่ตัวความหดหูแล้วความหดหูเป็นอดีตไปแล้วงั้นถ้าเรารู้ลงปัจจุบันนะเห็นใจที่อยากให้หายหดหูเพอะความอยากดับแนละ้วความโหดหูมันดับไปแล้วตั้งแต่แรกค่ะแล้วก็อีกคือจะหลงคิดทั้งวันแต่ว่ามันจะไปกับความคิดเยอะค่ะช่วงนี้ค่ะงั้นก็ภาวนาเข้าให้ใจมีเครื่องอยู่จะได้ไม่หลงนาน อยู่กับพุทธโธอยู่กับลมหายใจอะไรก็ได้นะแล้วจิตหลงไปตองรู้วัยว้ยหลงนานทุกนะทุกไหมหรือสนุกห <c oughs> ลวงพ่อตอนภาวนานะเวลารู้สึกตัวนี้รู้สึกสบายเวลาจิตหลงไปรู้สึกทุกนะแต่ก่อนนั้นร2 0ยิบเบอร์อะไรของคุณร2 3ยยิบสามครับอยิบสาม <3. S 2> ของเพื่อนมา ถามนมัสการหลวงพ่อครับพอดีหลวงพ่อกราบหลวงพ่อสองปีก่อนหลวงพ่อพูดว่าจิตเคร่งเครียดอยู่คิดว่าในความรู้สึกรู้สึกว่าสบายขึ้นเยอะใช่ใช่ไหมครับใช่ก็เลยเราจะเป็นต้องเป็นคนถามสบายขึ้นใช่ไหม <laughs> <c oughs> ครับครับตอนนี้ตืน่นเต้นมากครับเออทีแรกตั้งใจจะไม่ถาม <laughs> แต่รู้สึกว่าตัวเอง ค่อนข้างอ่อนแอในเรื่องการดูแลตัวเองมีวินัยอก็เลยจะมาขอการบ้านหลวงพ่อเพื่อจะเอามาเป็นกําลังในการไปปฏิบัติต่อครับก็ภาวนาเขาสินะจะได้พ้นทุกไปครับผมแล้วเวลาภาวนานีสังเกตตัวหนึ่งกูเก่งกูเก่งมันจะเกิดไหมมีไหมเยอะมากครับเออให้รู้ทันตัวนั้นแหละนะเออขอไกลอีกนิดนึงครับก็เหมือนน้องครับเมื่อกี้ก็คือว่ายังหาวิหารธรรม วิหารธรรมที่เหมาะกับตัวเองไม่ค่อยเจอเลยครับวิหารและธรรมมันก็ไม่ไม่กายก็ใจอะไรก็มีอยู่เท่านั้นแหละหาเอาเองกราบน <laughs> มันมสการครับสี่สิบห้ากราบนมัสการค่ะหลวงพ่อขอโอกาสแทนคุณแม่ค่ะอพอดคุณแม่เขาขอส่งกันบ้านค่ะการบ้านเป็นไงเป็นไงไป ดูว่าไงแม่ว่าไงเราพอดีคุณแม่ส่งกันบ้านที่ปีที่แลว้วคุณพ่อหลวงพ่อให้พุทธแล้วคุณแม่ก็พุโทโธแล้วก็สวดมนต์กับทุกวันเลยค่ะเออดีสิพุทธโทแล้วก็ใจเขาคิดถึงพระไว้เรื่อยคิดถึงบุญของเราไปเรื่อยๆเท่องพุโทโธไปเรื่อยดีแล้วล่วละขอบพระคุณค่ะร้อยเก้าสิบสีคนนี้ลูกกระตันอยู่นะคนนี้คนดี แม่ชี้ว่ามาตอนนี้มีกระทบเยอะค่ะแล้วก็ชอบคิดจะให้เป็นอย่างงาู้นเป็นอย่างนี้อใจอยากใจก็ทุกสีค่ะแล้วทำไงอ่ ะ, ะมาถามหลวงพ่อว่าทําไงไม่ให้กระทบเหรอไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้มีตาก็กระทบรูปมีหูก็กระทบเสียงเห็นไหมมีใจาก็กระทบธรมอารมณ์ยังไงมีอายตนะแล้วก็ต้องมีการกระทบ มีอายตนะแล้วก็มีผัสสะมีผัสสะแล้วก็มีเวทนาขึ้นมาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ใช่ไหมกระทบขึ้นมาสุขก็อยากได้อยากมีอยากเป็นทุกข์ขึ้นมาก็อยากให้หายมีความอยากเกิดขึ้นพอมีความอยากเกิดขึ้นใจก็ดิ้นใจดิ้นใจก็ทุกข์เองช่วยไม่ได้หรอกก็อยากมีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็พยายามรู้สึกตัวค่ะแล้วตอนที่รู้สึกตัวแล้วมีสติสมาธิอยู่กับตัวก็ จะมีแรงแบบทำอะไรได้แต่พอที่แบบเราเผลอไปก็จะแบบรู้สึกว่าตัวเองอ่อนแรงอ ะ, ะตมน้ำหน้าอยากเผลอฝ <c oughs> ึกไปนะแม่ชีนะฝึกชำนิชำนานเดี๋ยวต่อไปแรงมันก็เยอะใหม่ใหม่มมก็อย่างนั้นแหละหลวงพ่อจะมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมอดทนนะอดทนไว้ค่ะอาชิญกลับบ้าน แล้วแม่ชีก็เชิญกลับวัดเดี๋ยวให้กลับบ้าน